บทที่สองทหารที่ดีของพระเยซูคริสเหตุฉะนั้นบุตรของข้าพเจ้าเอ๋ยจงเข้มแข็งขึ้นในพระคุณซึ่งมีอยู่ในพระเยซูคริสตจงมอบคําสอนเหล่านั้นซึ่งท่านได้ยินจากข้าพเจ้าต่อหน้าพยานหลายคนไว้กับคนที่ซื่อสัตย์ที่สามารถสอนคนอื่นได้ด้วยจงทนการยากลําบากด้วยกันกับทหารที่ดีของพระเยซูคริสไม่มีทหารคนใด ที่เข้าประจำการแล้วจะยุ่งอยู่กับงานฝ่ายพลรเรือนด้วยว่าเขามุ่งที่จะทำให้ผู้บังคับบัญชาพอใจนักกีฬาจะไม่ได้สวมพวงมาลัยถ้าเขาไม่แข่งขันตามกติกาเกษตรกรผู้ตรากตราทำงานก็ควรเป็นคนแรกที่ได้รับผลจงใคร่ครวญถึงสิ่งที่ข้าพเจ้าได้พูดเถิดด้วยองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงประทานความเข้าใจให้แก่ท่านในทุกสิ่ง ทรงระลึกถึงพระเยซูคริสต์ผู้ได้ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาจากความตายและทรงสืบเชื้อสายจากดาวิดตามข่าวประเสริฐที่ข้าพเจ้าประกาศนั้นและเพราะเหตุข่าวประเสริฐนั้นข้าพเจ้าจึงทนทุกข์ถูกล่ามโซ่ดังผู้ร้ายแต่พระวจนะของพระเจ้านั้นไม่มีผู้ใดเอาโซ่ล่ามไว้ได้เหตุฉะนั้นข้าพเจ้าจึงยอมทนทุกอย่างเพราะเห็นแก่ผู้ที่ทรงเลือกไว้นั้นเพื่อเขา จะได้รับความรอดซึ่งมีอยู่ในพระเยซูคริสต์พร้อมทั้งศักดิ์สนิรันดร์ข้อ น, นี้เป็นความจริงคือถ้าเราตายกับพระองค์เราก็จะมีชีวิตอยู่กับพระองค์ถ้าเรามีความอดทนเราก็จะได้ครองร่วมกับพระองค์ถ้าเราไม่ยอมรับพระองค์พระองค์ก็จะไม่ทรงยอมรับเราเช่นเดียวกันถ้าเราไม่มีความศักด์จริงพระองค์ก็ยังทรงไว้ซึ่งความศักด์จริงเพราะพระองค์ จะไม่ทรงเป็นพระองค์เองไม่ได้คนงานที่พระเจ้าทรงพอพระทยัยจงเตือนเขาทั้งหลายถึงข้อนี้และกําชับเขาต่อพระพักพระผู้เป็นเจ้าไม่ให้เขาโต้เถียงกันในเรื่องถ้อยคําซึ่งไม่เป็นประโยชน์เลยแต่กลับเป็นเหตุให้คนที่ฟังเขวไปจงอุตส่าห์สำแดงตนว่าได้ทรงพิสูจน์แล้วเป็นคนงานที่ไม่ต้องอาย ใช้พระวจนะแห่งความจริงอย่างถูกต้องจงหลีกเสียจากคำสอนที่ไร้คุณธรรมเพราะคำอย่างนั้นจะนำคนไปสู่อธรรมมากยิ่งขึ้นและคำพูดของเขาจะแพร่ออกไปเหมือนแผลเนื้อร้ายในพวกนั้นมีฮิเมเนียสกับฟิเลทัสเป็นต้นคนทั้งสองนั้นได้หลงจากความจริงโดยถือว่าการฟื้นจากความตายนั้นได้ผ่านพ้นไปแล้ว เขากำลังทำให้ความเชื่อของบางคนคว้ยเขลไปแต่ว่ารากฐานซึ่งพระเจ้าทรงวางไว้นั้นมีตราประทับไว้ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงรู้จักคนเหล่านั้นที่เป็นของพระองค์และให้ทุกคนซึ่งออกพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าละทิ้งความชั่วเสียในบ้านใหญ่หลังหนึ่งหลังหนึ่งไม่ได้มีแต่ภาชนะทองและเงินเท่านั้นแต่มีภาชนะไม้ และภาชนะดินด้วยบ้างก็เพื่อศิลปะและบ้างก็สามัญถ้าผู้ใดชำระตัวให้พ้นจากสิ่งที่ไม่มีค่าเขาก็จะเป็นภาชนะที่มีค่าซึ่งชำระให้บริสุทธิ์แล้วเหมาะที่เจ้าของเรือนจะใช้ให้เป็นประโยชน์พร้อมกับการดีทุกอย่างดังนั้นท่านจงหลีกหนีเสียจากราคะตันหาของคนหนุ่มและจงฝ่ายในทางธรรมในความเชื่อ ความรักและสันติสุขร่วมกับผู้ที่ออกพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยใจบริสุทธิ์อย่าข้องแวะกับปัญหาอันโง่เขลาและไม่เป็นสาระด้วยรู้แล้วว่าปัญหาเหล่านั้นก่อให้เกิดการทะเลวิวาทกันฝ่ายผู้รับใช้ขององค์พระผู้เป็นเจ้าต้องไม่เป็นคนที่ชอบการทะเลวิวาทแต่ต้องมีใจเมตตาต่อทุกคน เป็นครูที่เหมาะสมและมีความอดทนชี้แจงให้ฝ่ายตรงกันข้ามเข้าใจด้วยความสุภาพว่าพระเจ้าอาจจะทรงโปรดให้เขากลับใจและมาถึงซึ่งความจริงและหลุดพ้นบ่วงของมารผู้ซึ่งดักจับเขาไว้ให้ทำตามความประสงค์ของมัน